ทำอะไรทําบุญอะไรแต่คนทำบุญได้หมอดทั้งนั้นผลทําม่ขึ้นจะจะได้ผลมากๆยากบางทีสอบไม่ไดผลก็ก็มีก็จะทําม่กึน คำบุญเปนต้อทำมาจากจิตทักใจใจต้องมีัติใจต้องมีความสำรวมใจต้องมีสงบมีความสงบมีสมาธิในการทำทานนั้นจึงมีอานิสงส์มาก หากคมไม่รูสติมันมีความสับนใจจิตใจเลื่อน้อยขาดสมาธิเีวกวธรทมอย่างทุ้มยากจะบุญกระถินหรือบุญมหากะถิ่นยากที่จะได้บุญมากเพราะใจที่สับสน ไม่ไม่เป็นใจที่จะรองรับใจที่จะรองรับบุญกุศลนี่ต้องเป็นใจที่สงบเป็นใจที่ไม่มีเป็นใจที่มีสมาธิหากใจว่าวุ่นใจสับสนใจวุ่นวายใจคลุ้งซ่านไม่ไม่เป็นฐานที่รองรับของบุญกุศล จะได้บุญได้กุศล ม, มากยากเกการฝึกหัดอบรมจิตใจด้วยการบำเพ็ญจิตภาวนาจึงมีความจำเป็นมากก็เอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้รลำดัง คนไม่เคยร่จะมองเห็นคุณค่าความสาคัญของการานั่งสมาธิกันยุคไหนสมัยไหนคนละเลยการบำเพ็ญกิจภาวนาหรือการทำสมาธิยุคยุคนั้นสมัยนั้นความบุ่นวายก็เกิดจะมีขึ้นเพราะความบุนวายทั้งหลายเกิดจากจิตใจทั้งนั้น จิตใจวุ่นว้ยอยู่ภายในใจภายนอกโกลวายไปด้วยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากใจถ้าหากว่าจิตใจมีความสำรวมดีมีความสงบระงับดีมีความเป็นศิลเป็นธรรมอยู่ภายนอกก็สงบลมเย็น เพราะมีศีลมีธรรมเป็นเครื่องแสดงออกจากจิตจากใจจะเป็นไปเพื่อความสับสนวุ่นวายไม่ได้นี่พูดถึอองอาสงอนิสง์ของการนั่งสมาธิใไฮมากๆใ น, นแต่เราคนเดียวน่นั่งสมาธิมากๆความสับสนในเราไม่นี่ นั่งสมาธินะ้อยความสับสนนี่ไม่นั่งสมาธิเลยมีแต่ความสับสนเราคนเดียวและที่นี้แต่หากว่าหลายคนมากคนนี้แต่ความสับสนความสงบสุขจะเกิดขึ้นมีขึ้นได้ยังไงในโลกความสงบสุขจะเกิดขึ้นมีขึ้นนี่ต้องเกิดจากจิตใจที่มีความสงบ หลายจิตหลายใจพ่กันบุหัลอกเป็นภาวนาบำเพ็ญจิตภาว น, นาทำสมาธิ ม, กมากๆทำสมาธิ ม, กมากๆหลายจิตหลายใจสงบหลายจิตหลายใจสงบ ก, การแสดงออกของจิตใจที่สงบแล้วก้วยสมาธิจะเป็นไปถึงความวุ่น ว, วายสร้างโลกมีปัญหาในนี้ เกี่ยวกับการบำรเพ็ญจิตภาวนามีประโยชน์สะละพัดเอาไปใช้ในทางไหนเป็นประโยชน์หมดถึงไม่เอาไปใช้ก็เป็นประโยชน์คำว่าห <c oughs> <c oughs> ลงคำว่ารู้หลงก็หลงของที่มีอยู่ รู้ก็รู้ของที่มีอยู่หลงก็หลงของที่เรามีอยู่รู้ก็รู้ของที่เรามีอยู่ถ้าหากว่าเรารู้เรากม่หลงถ้าหากว่า เราหลงเราก็ม่รู้คาสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ก็รู้สิ่งที่เราหลงรู้ส่งที่เรามรู้การปฏิบัติพระพุทธศาสนาการปฏิบัติธรรม ศึกษาให้รู้สิ่งที่เราไม่รู้และสิส่ง ท, ที่เราไม่รู้จะต้องศึกษาให้รู้นั้นนั้นมีอยู่ในเราทัาา้งหมดคำว่ารู้รู เฉียงเฉิงกลิ่นกลนตัวตัการสัมผัสถูกต้องกธรรำอารมณ์ก็คืออารมณ์ของใจคำว่ า, ารู้คบว่าเวหนาคำว่สัญญาสมัสงขารเขาวิญญาณ คนเหล่านี้มีอยู่ในเราทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนให้รู้สิ saya, no more, ่งที่มีในเราขารู้รู้นี่ไม่ใช่ไม่รู้ตามคนอื่นบอกไม่รู้ การตำลักกับตำรารู sang, Arizona, water, water, ้เพราะใจตัวรู rain, tuh, ้ไปเห็นใจที่จะไปรู้ไปเห็นธัตต้องอาจัยอาศัยความสงบของใจใจมีความสงบจนรู้รู้เรื่องรู้เวทนารู้ขุนญารู้ขุนขันรู้ขุนญาชัดรู้ศักดิต่วารปเวทนาขุนญาขุนขันยินญาณเท่านั้น จเป็นของเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเป็นของขึ้นมาแล้วก็ดับไปเป็นของเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปถ้าหากว่ารู้จับด้วยความสงบคงใจจะต้องรู้เห็นอย่างนี้เพราะ ค, ค, ความเกิงของเขาไปไห น, นี้ รูปไม่เที่ยงเรทนาสินได้ขังขันวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงไม่เที่ยงยังไงไม่เที่ยงก็คือไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็คือให้คงที่ไม่เที่ยงก็คือเปลี่ยนแปลง คือความไม่เทียงสักขนาดไม่เึงทุกขนาดก็คือทุกอยู่ทุกขนาดทุกจนกระทั่งไม่สามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้ต้องมีการเตือนตนแปกงไปทีกคุณ้ช มีการเปลี่ยนแปลงทุกขณะนั้นนั่นก็คือไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตนเป็นกันม์เป็นสารจึงมีการเปลี่ยนแปงไปทุกขณะไม่ทิ้งม่ทิ้งทันให้ที่เจนานมาตั้งแต่แลกเลเิกของปฏิสัณธิ มีการเปลนแปลงโดยรื่องจะมีการเจริญวัยโดยเรื่องคมมีการเจริญเติบโตมีการเจริญวัยมีการเติบโตมาทุกขนขนาไหนจะคงที่ขนาดไหนจะไม่เปลี่ยนแปลงขนาดไหนจะไม่เจริญตบโตไม่มีความไม่เทียงไม่เทียงนี้ <of> <heart> ที่เปลี่ยนแปลงเปี่ยนแปลงนั้นก็คือไม่มีอะไรที่จะเป็นเป็นหลักไม่มีอะไรที่จะเป็นไม่มีอะไรคงที่ไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตนในแต่ขนาดเดียวเพราะเขาเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกเสมอเป็นเด็กเลกจะเป็นบด็กโต เป็นเด็กเล็กเป็นเด็โตขนาเด็กโตเป็นเด็กหนุ่เด็กสาวตด็กสาวเป็นคนที่จะเปลี่ยนแปงไปอยู่ในวัยกลางคนและอยู่ในวัยแก่วัยชราเป็นเดลเปลี่ยนแปลงมาเป็นดโต เป่นแปลงขนาดไหนเป่นแปลงเวลาใดไม่มีใครตอบได้เปลี่นแปงเวลาไหนวันที่เท่าไรเปล่นแงเวลาเช้าเวลาเย็นเวลาค่ำเวลากลางดึกคืนเวลาใกล้สวางรดยว่าเตลี่นแปลงอยู่คัะ ทุกขณะไม่มีขณะใดไใม่เปลี่นแปลงไม่พอไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงทุกขณะไม่มีขณะใดที่จะคงตัวคงที่ที่เปลี่ยนแปลทุกขณะค้ทุกขณะนี่แะยากที่จะรู้จักว่าเขาเป็นอ น, นุจจ์ ที่หมดไปเสื่อมเสื่อมไกเสื่อมไปสิ้นไปทุกขณะแล้วขณะที่หมดไปเสื่อมเสื่อมไปสิ้นไปที่เราน้อยเพียรน้อยนัย่นแหลจึยจงยากที่จะรู้จักว่าเขาไม่ใช่ของเรามีแต่หมดไปทุกขณะขณะที่หมดไปนั้นน้อยจนกระทั่งยากที่จะรู้จักว่าเขาหมดไปสิ้นไป เขาเปลนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปก็คือหมดไปขึ้นไปนั่นเองน้อยเปลี่นไปทั้งไม่สามารถที่จะรู้ว่าน้อยเท่าไรในที่สุดเจมาเปลี่ยนไทั้งๆงงจึงรู้จักตัวเจ้าของเก่เพียงรู้ตัวเจ้าของเกง ันาดแกก็งมแล้วใจมันก็ยอมใจก็อย่างจริงใจมันเดิม mm. จึงว่าคเาว่าพิจารณารูปเป็นของหเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงพิจารณาโรคเห็นว่าเป็นทุกข์พิจรารณารูให้เห็นว่าเป็นอนัตตา พิจารณาซ้ำๆตักตากพิจารณาแล้วพิ na, จารณาเล่าพิจารณากลับไปกลับมาจนกระทัง่งเห็นแค่ตัวรูปอันนี้สักแต่ว่าของเกิดมาแล้วก็เป็นไปกตามธรรมชาติของเขาเท่านั้นตแต่สมมุติว่ามีเที่ยงเขาก็ไม่เที่ยงแต่สมมุติว่าเป็นทุกเขาก็เป็นทุกแต่สมมุติว่าไม่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเข е าก็เป็นของที่ไม่ใช่ตัวไม่ตน คามจริงของเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆแลว้วก็สมมุติตามความจริงนั้นวยาอันนีจังทุกครั้งอากาเรือนทางก็กลาเป็นเรือนสิ่งที่สมมติกัรเรียนสิ่งที่สมมติก็รู้สักตรว่าที่สมมติของจริงไม่เรียนก็ไม่รู้ของจริงสมมติทั้งหลายชอบผูกนี่ต่อผูกสมมติทั้งหลายไม่ใช่เป็น ทาที่จะเกอสมมติทั้งหลายเป็นธรรมภูธรรมของจริงเท่านั้นที่จะเป็นธรรมคร้นเก้ อ, อยึดเก้อใจไม่ไะยึดติดในของจริงนั้นเรียนธรรมจงเรียนมารู้ของจริงเพราะของจริงเรามีอยู่แล้วเราจะไปเรียนที่ที่สมมติเก้อกันทำามา เรื่องของจริงต้องอา ศ, าศาอัยความสงบของจใจหากว่าใจไม่สงบนี้ใจจะรู้ของจริงเห็นของจริงไม่ได้เพราะของจริงนี่ต้องอาศาอัยความสงบของใจงมีควา ม, มแน่วแน่มีความตั้งมัน่นมีความมั่นคงแตากว่ามีความไมแน่วแน่เลื่นรอยตั้งตรงไหนไม่ตั้งให้มัน่นเราสามารถที่จะรู้ตรงที่ตั้งไม่สามารถ จะรู้ตรงจุดที่ต้องการจะศึกษาพิจารณาให้รู้นั่นไม่สามารถที่จะรู้ชัดได้ไม่สามารถที่จะเห็นความจริงได้ในที่สุดก็เรืองความไม่รู้ธรรมไม่รู้ของจริงถึงจะรู้ตามสมมติจะสักเทไนเพียงไดสัช่านมีแต่ถูกให้ติดอยู่ในสมมุตินั้นไม่เป็นธรรมเครื่องแก้จิตแก่ใจ ว่ารู้รู้แต่ไม่รู้แล้วรู้กดสักแต่ว่ารู้เท่านั้นรูปส่วนไหนรูปส่วนไหนจะรู้ตรงไหนจะรู้ของใครรู้แต่เจ้ว่ารู้ไม่ใช่อะไรทุกอย่างสมมุติก็เป็นคนเขาก็ไม่รู้ว่าเอาเขาสมมุติเอาเขามาสมมุติก็เป็นคน เอาเขามาสมมติว่าเป็นต้นไม้เขาก็ไม่รู้ว่าเป็นต้นไม้เขาก็ไม่รู้ว่าเอาเขามาสมมติว่าเป็นต้นไม้เขาลูกมาสมมติว่าเป็นผมผมส่วนไหนก็ไม่รู้ว่าถูกสมมติว่าเป็นผมเลาผลผมมันหล่นผมมันล่วงเราตัดเราโกนดูว่าผมรู้ว่าถูกตัดมั้ย ผมเลือดผมถู่โกนไหมผมเลือด เ, เป็นผมไหมคนก็เหมือนกันแล้ก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันอะไรก็ใช่ไม่รู้ว่าเจ้าของเป็นอะไรไม่รู้ว่าถูกสมมติว่าเป็นอะไรจรึงว่ารู้สักแต่ว่ารู้ แตแต่ว่าแตแต่ว่าพูดกันแต่ความ จ, งจึงเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราพูดกันว่าเป็นทุกข์ทำไมเขาจึงตายเป็นปทุกข์ทําไมเขาจึงเปิี่นแปลงทําไมยังไมเลยทําไมถ้าว่าเป็นทุกข์เขาจึงเป็นอันนี้จังทุกครั้งหน้าตาไปเวทนาก็อไม่กัน เรานาสัตว์เวทน า, า, ว เ, วทนาเวทนาเป็นของไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่ใช่ตัวตรเวทนาก็คือความสุขความทุกข์เวทนาก็คือความทุกความสุขละเวทนาก็คือเจวะทุกข์ก็ไม่ใช่เจวะสุขก็ไม่ใช่มันไม่เท่งแล้วมันจึงมีทุกข์บ้างจึงมีสุขบ้าง งมีดีบ้างมีไม่ดีบ้างมีทุกข์ใจบ้างมีไม่ทุก์ใจบ้างและมีทุกข์ใจก็ไม่ใช่ไม่ทุกข์ใจก็ไม่ใช่เพราะมันไม่เที่ยงมันจึงเป็นอย่างนี้เพราะไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตนเป็นหลักเป็นฐานแน่น้ำมันคงได้มันจึงมีทุกข์มีสุขและมีไม่ทุกข์ไม่สุขท่านดูเอาวินาเป็นของมีเที่ยง ทุกที่ไหนทุกอะไรไปชั้เกิดเพราะเหตุปัจจัยเกิดเพราะเหตุปัจจัยอันนั้นอันนั้นอันนั้นมาสัมผัสในจิตในใจเท่ามันก็เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนขึ้นมาเหตุอันนั้นอันนั้นมาสัมผัสในความรู้สึกขึ้นทําให้เกิดความดีขจ้นก็เกิดความสุขขึ้นมามันเป็นอย่างนี้เพราะเหตุปัจจัยทางภายนอกที่มา นอกภในเอามาสัมผัสกันงกตาัสัมผัสูผูสัมผัสเสียงจมูกผกลิ่นใจสัมผัสกับสิ่งรียรอบใจสัมผัสกับอารมณ์มันเกิดจากกาเห็นล้หูได้ยินเสียงจมูกได้สัมผัสกลิ่นรื่นมผัสรสเกิดเป็นความรู้ขึ้นเป็นเวทนาขึ้นมาเกิดเพราะการสัมผัสเท่านั้น อม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นสาระเป็นเกณฑ์เป็นศาสอะไรจังหเวทนาสัตัะเวทนามันทุกข์ก็สักเพะว่ามันทุกข์เพราะเหตุปัจจัยมันเพ่มันเมมันสุขก็ก็ักพรมันสุขมันจะเปลี่ยนแปลงไปพราเหตุปัจจัยมันเติมทาให้เกิดความุูกประเดี๋ยวผดผ่าวมันก็เปลี่ยนแปลงไเพราะในโลกอันนี้มันเหมืองมันไม่เกมีอย่างเดียวมันมีคู่ทั้งนั้นมีดีมีช่วมีทุกข์มีสุขนี่แต่ตัวไม่เกิดไม่ตา มันมีพูดทำไมมันเปลีป่ยนแปลงอยู่อย่างนี้ซึ่งเวทนาท่านจึงว่าเวทนาไมเที่ยเวทนาไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนหนึ่งเป็นอนัตตาเวทนาตะเกาว่าเวทนาไม่เคยสอนบุคคลตัลวตนเราเขาไม่ใช่อะไรสักอย่างแม้แต่เวทนาเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเวทนาอีกอะไรไปช่างอะไรก็ช่างที่เขาเกิดขึ้นเกิดขึ้นนั่นเขาไม่รู้เขาเกิดส่าง เหมือนคำเงาอย่างนั้นนะครับเงาลูกไม่ก็เงาบ่เกิดเป็นเงาเนาสัจดเวทนาไม่ใชสัตว์บุคคลตัวตนเรเขาสัดาวเวทนาเท่านั้นแต่มตเป็นอนิจจเขาก็ไม่รู้ต่มตเป็นทุกเขาก็ไม่รู้มตเป็นอนัตตาเขาก็ไม่รู้แต่ความจริงของเขาเป็น พระพุทธเจ้าศึกษาความจริงรูปควนมจริงเห็นความจริงว่าความจริงที่ลูกทรงทรงรู้ทรงเห็นอันนั้นน่ะออกมาตรัสออกมาเทศนาความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นตามความเป็นจริงและความจริงองคนั้นล่ะถอถอนคามยึดถือในจิตใจของพระพุทธเจ้าที่ยึดถือมาตลอดยักการระยะยาวถอดถอนอุปาทานความจริงที่เราเรามีอยู่ในนี้สมบูรณ์แบบ ถ้หากเราศึกษาศึกษแล้วนี่จะไปยึดถือว่าวทนาะในรูปวทนาระยะแสงข่าวิญญาณตนของเรามันไม่ยึดทาไมไม่ยึดหรอกเพราะมันจะไปยึดยงไงมันไม่ใช่สิ่งที่จะยึดเอาได้มลันจะยึดเงาเป็นตัวเป็นตนมันจะเปทำแบบเป็นตัวเป็นตนไหมนเเมื่อเป็นตัวเป็นตนแล้วมันจะไปยึดเงาเป็นตัวเป็นตนทาไมมนเมื่องเงาใสแต้วเงา เรือป็นเสยสนขาเหมือนกันเงาก็เกิดจากเหตุปัจจัยแสงวางส่องเข้าไปามันก็เป็นเงาขึ้นมาสงเสียวผ้าที่ส่องขึ้นมาตองต่อมาั้นมันก็เป็นเงาขึ้นมาแสงผ้าที่สง่งตอานสว่างไม่สอ่องเงาไม่มีแล้วไม่เหตุปัจจยอย่านี้ มันก็มีอะไรที่จะปรากฏขึ้นโลกเวทนาสัญญาก็เหมือนกันสัญญาก็จะตระหนักสัญญาสัญญาก็มาถึงเวลาตาเห็นลูกห็นได้ยินเสียงนี่สัญญามันจะแล่นขึ้นมาทันทีเล่นมาหลังจากความรับรู้เล่นมาจากในตัวรู้ ตาเห็นลกมันลูกันทีว่าอันนัเป็นรูปสัญามันจำทันทีจำว่าอันนั้นเป็กอันนั้นเป็นลูกดงดังลกขาวลูในกอในขอไม่งอท่านง่วิญญาณวิญญาณก็คือตาเห็นูกเกิดความูขึ้นอันนั้นเรวิญญาณวิญญาณก็เป็นของไม่เที่ยวิญญาณก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใชตตนวิญญาณเกิดขึนแล้วก็ดับตสัญาคอนจำ เกิดการรูเป็นอะไรเกิดการเป็นอะไรมันจาเป็นดูจาเป็นดยจําปันทู่ำ็นดูจเรป็นอย่างนั้นจำเราเป็นั้นจำไหนนั่นจำเราเป็นจยางน้จำเราเป็นเท่าจำเราเป็นเร่เลาอะไรไม่อะไรมันเกิดวารรู้ขึ้นขั้นักก่อนแล้วมันเป็น่าเทอเป็นสัญญาของเร่องความรกรู้เป็นอะไ็นอะไรคัญยื่ยามนี้ทางงานสมผัสสมพันธ์กันเติมนเตือนกันอยู่ตลอดมือจอมละเอียดมือท่านจอมรวดเลยท่านึอาศัยความสงบ การอาศความสงบของใจมาศึกษาซึ่งหลายนี้เป็นการเลชัดตัวตนนี่เรื่องราวของเขาการจึงของเขาเป็นยังไงทำให้ใจเลือกชัดตัวตนก็คือว่าเขาไม่มีตัวมีตัวนั้นเองเกิดเพราะเหตุปัจจทั้งนั้นเขาบอกิญาณวิญาณบองคนก็บอกแม้ถึงรู้จิตแต่วิญาณเป็นตัวเป็นตนอันนั้นรู้สึกเจ้า คเข้าใจเข้าเชื่อวิญญาณในขันท่าทั้งหมดล้วนแล้วจเป็นของเกิดดับทั้งนั้นทั้งขันทั้งขันก็เหมือนกันมันเห็นลายภาพเห็นลายราพเห็นลายภาพนี่มันเลื่อเป็นลายรลื่เป็นไงนี่มันทางานตันทีมันทำงานดันทีมัอนก็บเครจากนมือคืองจากตัวใหญ่มันใหญ่มันกำลังาน สายพานมันเกี่ยวข้องเข้ามาตัวเลขทํางานตัวเลขทํางานตัวเลขตัวน้อยทำงานไปหมดแต่ทั้งคาบุอันนั้นเราเพิ่งจัดทํางานทํางานไปแล้วทางนีางนี้ใหญ่ไปใหญงานแล้วตัวน้อยตัวน้อยทงานต่อต่อตัวไหนทํางานตัวไหนทํางานพอเวลาหยุดทุกตัวหยุดไม่มีอะไรทางานสักอย่าง แต่สมมติว่าไปงานอย่างนั้นงานอย่างนั้นงานอย่างนั้นมีเยอะใจของเราก็เหมือนขันเวลาไปทํางานเวลาไปทํางานทำงานทํางานอันนั้นดีกว่าทั้งขันมเดี๋ยวทำอย่างนั้นเดี๋ยวทาอย่างนั้นเดี๋ยวทำอย่างโน้นทําอะไรก็ไม่อะไรเป็นสั้งขันทั้งหายทั้งขันทั้งหลายท่านว่าเป็นของไม่เพื่อนครรม ื่อเพ่งสังขารทั้งหลายท่านว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตตรงสังขารหยุดไปสังขารทั้งหลายหยุดไปไม่มีอะไรตร ง, ไ ม, ม ไ, รงไม่มีอะไรทำ ง, งานไม่มีอะไรกระเพื่อมในเมื่อไม่มีอะไรทำงานไม่มีอะไรกกระเพื่อมจิตของเราก็สงบคาว่าสังข า, ารดับไปไม่ใช่จิตดับจิตก็สมมติ แต่ธรรมชาติจิตนีอยู่ไม่ใช่ว่าขานธ์ดับจิตจะตดับหนักไม่ใช่วุญญาณดั ก, กจิตจะดับธรรมชาติจิตอันนสโสมมุจดจากภาพรู้ที่เป็นธรรมชาติธาตุที่มีอยู่โดยธรรมชาติคําว่าขัดเกราจิตเขาขัดกราจิตคําว่าจิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธ หยุดค่ะโดยสุดหยุดที่โรยสุดมาจากไหนก็ามาจากของที่มีอยู่นี่อเองอะไรเป็นท่ำเครื่องขัดเกา่าก็เอาสิ่งที่เรายึดสิ่งที่เราหลงนี่แหละเป็นทา่ำเครื่องขัดเกา่าแต่เราไม่รู้เราเราหลงแล้วอันนี้แหละจะเป็นเครื่องที่ใจของเราไปเสืผัเ ส, สัมพันธและไปยึดติดไปคุบคือไปเกี่วข้อไม่ยอมปล่อย มันก็นกายเป็นสิ่งที่ห้หมหขึ้นหอเกินมาไม่มีอะไรที่จะกัดขัดเราไม่มีอะไรที่จะทำให้หลุดถอดถอนจากจิตที่ใตยึดก็ต้องอาศัยความจริงที่เขามีอยู่ในสิ่งที่ใจไปยึดติดกันพากันพิจารณาให้มากมากพากันเปลี่ยนตัวในการพิจารณาด้วยกวารสงบของใจ สรุปแล้วทำความสงบให้ยิ่งทำความสงบไพมากใจของเราสงบแล้วเราจะศึกษาจะพิจารณาอะไรนี่มันละเอียดถี่่วนมันแยกคายมันชัดมันแจ้งมันชัดเจนแจนแค่ถ้าหัวใจไม่สงบแล้วกระโดดนั่งกระโดดนี่กระโดดเนดึงเปข้างเหมืนกระโดมันวิ่งเร็วกระดึงมันยังมันไปเร็วอย่างนั้นนะเราจะดูอะไรชัดไม่ได้แต่เราหึงอยู่ เห็นคนดีไม่เห็นตามความเป็นจริงความสงบมีความสําคัญจะต้องเร่งจะต้องพยายามให้เกิดให้มีให้ยิ่งให้ยิ่งให้ยิ่งอย่าไปกตกกังวลว่าสงบมากใจแค่ติดสงบจะตึดสมาธิฝนมากใจที่ติดความนึ่งติดอารมณ์ปัญญาชอบคิดอย่างนั้นใจที่เห็น คุณของการปล่อยวางอารมณ์สัญญาแล้วจะไม่พูดอย่างนั้นถ้ามันเป็นมันไม่เป็นอย่างนั้นจะ อ, อะไรทําให้เกิดสติกเกิดปัญญาขึ้นมาก็ต้องเอาใจที่ว่างจากอารมณ์ใจที่วางจากใจที่ตุดอยู่ในอยู่ในอารมณ์ใจที่ลอยยึดติดอยในอารมณ์แล้วจะเอาเรามาแก่อารมณ์ก็ต้องเอาอารมณ์ที่ใจยึดติดนั่นมาแก่ รูป ก, กับอารมณ์เสียงก็เป็นอารมณ์เสีงก็เป็นอารมณ์ของเกิดของตายทั้งหมดที่มีในโลกเลื่อนแล้วแต่เป็นอารมณ์ทั้งนั้นเอาสิ่งนี้เรามาพิจารณาใจของเราจึงจะหลุดออกจากกระแสลมจากอารมณ์เครื่องผูกในเครื่องมัดจิตใจใช่ไหมเพื่อเร้หลุดออกจากเครื่องผูกมัดจิตใจแล้วใจของเราก็เข้าถึงสมาธิได้นี่เราปล่อยวางจากอารมณ์เครื่องผูกพันทั้งหลาย คำว่าเอตตะตาจิตเอตตตาจิตก็มายถึงจิตที่ไม่มีอารมณ์ใดๆมาเกี่ยวข้องมาเพกพันยังแต่จิตอันเดียวอารมณ์ทั้งหมดอารมณ์ทั้งหลายเต็มโลกไม่ใช่เอตตะทตาจิตโลกทั้งหลายจะไม่มีอารมณ์อารมณ์จะมีอยู่เต็มโลกเหมือนเดิมแต่ในจิตเราไม่มีในจิตไม่มีอารมณ์แม้แต่น้อยท่านจึงเรียกว่าเอกตตาจิตมีจิตอันเดียวเท่านั้นนี่ ยังก็สงบจริมีความสงคัญจึงมีความจำเป็นทีต้องทําให้เกิดให้มีถ้าหากว่าไม่มีความสงบเป็นหลักบรรทัดฐานแล้วอย่างที่เขาพูดกันนอนอ่านหนังสือท่องหนังสือไม่จําสมาธิไม่มีอ่านหนังสือท่องหนังสือก็ต้องอาศัยสมาธิต้องอาศัยสมาธิทั้งนั้นเป็นหลัก การพิจารณาจะต้องทำการพิจารณาสิ่งที่ใจของเรายึดติดถ้าไม่เปลี่นเชื่อให้เขาถึงความเปลี่ยนชื่อในสิ่งที่ใจของเรายึดติดนั้นต้องอาศัยความสงบยิ่งสงบละเอียดถลายยิ่งแยกคายยิ่งละเอียดถี่ทุนในสิ่งในสิ่งนั่นนั่นที่ใจของเราเอามาพิจารณานั้นหรือในสิ่งที่ใจของเรายึดติดนั้นใจของเราเนี่ย ใจจะเจะข้าไปแก้ไปแก้ไปแก้สิ่งที่ยึติถ้าหากวชัดต่างกันจริงๆแล้วไม่ต้องปล่อยให้ไม่ต้องบอกให้ปล่อยไม่ต้องไปบอกให้ปล่อยปล่อยทันทีปล่อยทันทีปล่อยทันทีว่างทันทีว่างทันทีว่างทันทีว่างในขณะที่จ at ุดชัดต่างกันเจริงแล้มันลุดออกไปทันทีหลุดออกไปทันทีลุกออกไปทันทีเพราะทื่มัน ยึดก็มันจากความันไม่รู้มันหลงถ้ามันรู้แล้วมันจะไปยึดทำไมมันก็ปล่อยเท่านั้นเท่านั้นพระวิร kind of ิจาเทศนาปันให้ปัญจวัคคีเทศนาเรื่องปัญจขันเรื่องปัญญเรื่องขันทั้งห้านี่ถ้าเห็นว่าสัจเปราะขันสัจเปราะลูกปัญญาสัญาขันยืนยันเท่านั้นไม่ใช่สัจบุคคลตัวตนเราเก่ายึดของ แล้วแ้วก็สีก็้นจากลูกประธานจนแบบสังขารยินยงยามลูกประธานก็หลุดไปจากจิตจากใจคือที่หลูกจากลูกปาะธานนั่นจะสมมติว่าเป็นอะไรไม่ต้องสมมติเขาก็เป็นเป็นไปตางความจริงของเขาถึงให้ที่เจรนาให้มาก ตื่นตัวในการศึกษาตื่นตัวในการคนนา้นคิดติเกณฑ์นาตืมตัวในการทํำจิตของเราให้เข้าถึงสมาธิธรรมนั้นไม่ต้องไปปราถนากวามเจเริญ ก, ก้าวหน้าไม่ต้องไปปราถนามะขุนวิภานที่ไหนทาให้รู้แล้พอทำให้สนใจในการทาความสงบให้ยิน ไม่สนใจในการที่เจริญให้เจริญจ้งในสิ่งที่ใจของเรายุติปัทนามากผลนิพพานสักขนาดไหนก็ได้แต่ความรปรัทนามันมือนกับหิวข้าวมันก็มีแต่หิวข้าวหิวข้าวข้าวหิวข้าวหิวข้ า, ขาแต่ในลูกข้าวอยู่ที่ไหนในลูกข้าวเป็นอย่างไรไและโอกาสที่ใจ เห็ม น, นะนมันมีไหตามันไมตามันบอดเป็นแก่เห็นอะไรงความ่หมดวมีจึงมีความเต็มเต็ม จะสงบง่ายเราพิจารณาพิจารณาธรรมเป็นส่วนใหญ่จะสงบยาบไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเอายังไม่อยู่ในข no ั ate, no ้นที nice. Likewise, no ่จะพิจารณาได้จสงบหยาก็เราก็พิจารณาอย่างหยาบหาบไปจนแจ้งหรือไม่จนแจงไม่จนจ้งหรือไม่นแจ้งพิจารณาเล่อยไปหลือ้ก็ม่อยู่ก็ความสงบอยู่ก็ความสงบอยู่กความสงบอยู่ความสงบ วัฏสงความสงบที่ทำใเกิดให้นี้นั่นเอาไปพิจารณาเอาไปพิจารณาก็นอบอันนั่นนอเอาอันนั้นนอบเออะไรก็มอะไรเอามาศึกษาพิจารณาอาศัยใจท้องหลกของเราที่สงบนั่นไม่เช่ไหนทิ้งอะไรก็พิจารณาไปแล้วจะมาอยู่ความสงบใหม่ใจสงบ แล้วก็พิจารณาสงบก็ก็พิจารณาสงบก็พิจารณาเีมือก็บพักผ่อนแล้วทำงานพักผ่อนแล้งานพักผ่อนแล้วทำสมาถ้าทานเอากําลังแล้วก็ออกทํางานแล้วก็ทานอาหารแล้วออกแล้วก็ออกทํางานแล้วก็ทานอาหารให้ได้กําลังแล้วก็ออกทํางานการทําสมาธิก็เหมือนกันสมาธิเป็นพลังที่จะปฏิบัติธรรมปฏิบัติหน้าที่การงานคือการพิจารณาปฏิบัติ สมาธิ อ, อกรมสินสมาธิอบรมปัญญาสื่นอบรมสมาธิสมาธิอบรมสินสื่จะระเอียดถี่ทุนสื่นจะรเอียดสืจะสะอาสื่นจะบริสุทธ์ตองอาศัยสมาธิ จ้าจิตจะเป็นสมาธิจิตจะเข้าถึงสมาธิต้องอาศัยสิ่งสิ่งละเอียดสิ่งละเอียดสิ่งปราณีตสมาธิยิ่งและสงบละเอียดปราณีตควบคุมอาศัยชึ้นกันและกันทั้งนั้นธรรมของพระพุทธเจ้าอาศัยชึ้นกันและกันทั้งนั้นไม่ใช่ธรรมของเจ้าธรรมของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ไม่ใช่ธรรมเป็นของกลางอาศัยชึ้นกันและกันทั้งนั้น ทำไมึงว่เป็นของกลางว่าเพระใครสามารถที่จะรู้ได้เห็นได้ทางนั้นแต่ทําเป็นของพระพุทธเจ้าก็เป็นของพระพุทธเจ้าใครม่มีสิทธิ์นี่ทำเป็นของกลางใครมีความเพียรความพยายามพอสามารถที่จะรู้เห็นของกลางการาความเป็จริงได้ทางนั้นจึงว่าทำเป็นของกลางไม่ใช่ของพระพุทธเจ้า พระพทธเจ้าท่านตปนผู้ถือทรงรู้ทรงเห็นก่อนเท่านั้นโดยไม่ต้องไป้ยินได้อฟังแต่ท่านพูดเอแต่ทั้งที่พระพุทธเจ้ารูรร้ก่อนเห็นก่อนนั้นทำนั้นไม่ใช่ของพรุทธเจ้าเป็นของที่มีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงจับว่าทำที่เราตาพตทรงรู้ทรงเห็นนั้นทำนั้นมีมาก่อนนั้น จึงเรียกว่าเป็นของกลางมีอยู่ประจาโลกพุทโธตื่นอยู่เสมอพุทโธตื่นอยู่เสมอพุทโธตื่นอยู่เสมอคือมีสติอยู่สมอมีิอยู่เสมงนี้อยู่สมอตอยู่ก็เหตุก เื็นในการคน้นคิดพิจานมาเื็นในการชำรุดจิตให้อยู่กับความสงบเพียงโห้พากันตั้ง อ, อกตั้งใจงให้เต็มที่ถ้าหากว่าเราไม่ตั้ง อ, อกตั้งใจงให้เต็มที่เราเนี่ยจะเป็นพวกที่ยอมยาน ย่อนยานไปไหนย่อนยานไปหาเรื่องของโลกย่อนยานไปหาเรื่องของชีวิตเรานี่จะพอใจหรือในการที่เราเป็นผู้ที่หย่อนยานหย่อนไปหาสืวยานไปหาชีวิตเราจะพอใจหรือไม่มีดอกที่จะหย่อนยานไปหามรรคผลนิพพานที่ไห น, น ย่ำยานไปหาที่เอกทางนั้นเราหรือจะพอใจให้เราย่ำยันไปหากี่เขาว่าย่นยาน่าให้ให้นันหนามันคงนั่นหนามันคงนั่นหนามันคงอยู่เสมอด้วยสติเป็นหนามันคง แข็งจงอยู่ในจิตในจไม่โยกคนวังวงันไม่เลิกล้มไม่ล้มในการตังรต้งสติไม่เลิกไม่ล้มในการมีสติหวลงลงัวใจล้มเหลือเขาพูดกันนะพระอาจารย์โลกเรนนี่เขาพูดว่าหัวใจล้มเหลือ ผู้ปฏิบัติท่ลาลมและหลวทั้งนั้นไม่มีมสติงาใช่ไหมได้ฝึกก็ต้องอศาศัยสติสมาธิก็ต้องอาศัยสติทำทุกขั้นตอนเกิจากสติธรรมทั้งนั้น ตายตายตายตายตายเกาะมิจฉาตายตายตายตายกระทุกครั้งตายตายตายเกาะหน้าตายมิจฉาทุกขรั้งหน้าตายตายตัวเดียวคันเรียวกันทาของพระพุทธเจ้าทาของจิ่งอาศัยซึ่งกันและกันยากที่จะแยกออกจากกันเกิดเป็มิจา ตัวเกิด่รไหนตัวไม่จังอยู่รนตัวเกิดจะตไหนตัวุกอยู่ตรงนเกิดจะตไหนตัวอีั่ตรจรไหตไม่จังตทุกข์ของตัวนีตายตั้วายอยู่ตรงไหนตัวไม่จังอยู่ทรงนั้นตัวทุกข์ของตัวนัตตาอยู่ตรงนั้นหรือว่ามีอะไรดอกที่จะเป็นคนเป็นสารอะไรจะเป็นอะไร มนจะมารู้สัตว์ตรู้สัตว์ตะวันรู้สัตวตะว่นว่ากันทนั้นถ้าหากว่ไม่ว่าแลวไม่มีอะไรความจริงเป็นไงะให้เตือนเตือนในการศึกษาเตือนเตืนตนมนใน่าการเตือนเตืขนควาความเพียรความเพียรก็เพียรที่จะศึกษา เพื่อรู้เพื่อเห็นคำว่าอดทนก็อดทนเพื่อเพ่จะให้รู้เห็นคำว่าการสับการจริงก็ตั้งการศึกจาดตั้งคการสับการจริงเพื่อที่จะให้รู้เห็เนคำว่าอนุฐานอนิฐานก็อนิฐานเพื่อเพื่อจะให้รู้ให้เห็นไม่มเพื่อเพื่ออาไรไมเพื่อใรู้เห็นนะสิ่งที่ไม่รู้ไม่เห็นก็ไม่มี เมื่อเราเข้าใจจนเกินนี้สิ่งที่หลงก็ไม่มีทางของเรานม้ม่อยู่ในเราทั้งนั้นจะไม่รู้ก็รู้สิ่งที่เรามีอยู่หลงก็หลงสิ่งที่เรามีอยู่เป็นาการเดินทางการศึกษาทาอยาตาฮารีมไก อย่าไปหาเรียนที่อื่นนอกจากกายและจิตเราเรียนกาเรียนที่อื่นนอกจากกายและจิตไม่เป็นไปเพื่อวามขับเกลาถอดถอนแพราสิ่งที่เรายึดติดกายึดปึดในกายในจิตของเรานี้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องโมากเราเร า, ายึดถือะ เราคิดถือสิ่งที่เรามีอยู่มีอยู่ในเราทาาารั้งนั้นตั้งการที่จะคลายตั้งการที่จะทํำลายให้าการยึดถือมันหมดกันทิ้งก็ต้งศึกษาสิ่งที่เรายึดถือคือเราที่มีในเรานี้ยอ้าวผ้กันอยู่ยด้วยก่อนเชื่องู ตื่นต no ัวอยู no ่ก็ฟ no ังใช่ไหมสติไม่หน no ้า t น่สติแนนสตินนั่งอยู่ตลอดคืนก็นั่งอยู่ตลอดคืนก็แน่แน่อยู่อย่างนั้นคำว่าสติถ้าหากาเราอกลม เราฝึกหัดให้น้ำมันคงจนกระถ่งมีกำลังของสรงแล้วคว่าขาวคตินั่งอยู่ตลอดคืนก็ึม้มาก็ไม่ขาวมันง่วงที่ ม, ม, ม, ม, มันง่วงที่มันง่ ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ จากนั่นจากนี่อันนั้นเนื้อความสติย่อยยอนทั้งนั้นพุโทโธพุทโธเดี๋ยวนับก็บกลับไปบ้านกลัวไปชท่งพทโธมันเลยย่ก็ไปอะไรกับไม่อะไรกับไม่รู้นั่นเนื้อความสติไม่มีพลังพอใจของเราไม่มีทางพอใจของเราไม่มีสติธรรม เป็นธรรมเครื่คุ้มกันเป็นธรรมเครื่คุ้มครองหลาไปตามกระแสโเรื่องว่ายน้ำไหลไาไม่ไหลไปไหนหอกไหลไปตามกระแสของที่เมีปัญหาตรงนั้นเรื่องอะไรก็ช่างเรื่องอะไรก็ช่างไหลออกจากกรอบของคติหลออกไปท่านใดก็ไปสู่กระแส สิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจ ก, กะระแสสิ่งที่ใจมันเคยสัมผัสสัมผัสมันหมดยังจตัดกะระแสอย่าให้มัเยอะยังหันเข้ามาสู่ในกายให้รอบข้อรอบข้อทั้งเดินว่ให้รอบข้ อ, อ, ขอดออูทีแรกมันไม่รอบนะ แต่เอาใส่ความพยายามความพยายามมันก็รวบครอบลงไปได้กำหนุจเดียวรวบอบไปทังร่างกายแต่ถ้าเอาใส่กำหนดดุจนั่นกำหนดดุจนี้กำหนดตงนหนดตน ใ น, นมือผักกำลังพอแล้วกำหนดทีเดียวรอบขอบไปในร่างกายแล้วกลิ่าแบสเร็จรสำรวมิดเลยการสำรวมชดเลงเรียก ว, ว่าการเดินทางเดินเข้าเส่งทางทางนี้ทางจุดหมายปลายทาง คือพระนิพานธรรมจุดหมายปลายทานของทางเส้นนี้คือวิอมุตติธรรมให้ตังต้งเป้าให้แน่นลงไปเป้าของเราตรงนี้เป้าของเราตรงนี้เป้าของเราอยู่จุดนี้อย่าเป้าของเรา อยู่ก็เร่อนทานบ้านชอบเต้าของเราอยู่ก็ยากติที่น้อเต้าของเราอยู่ก็พ่อเขานี่ไม่มีคนช่วยมือเราจะดึงมือจะถูจะลอกทั้งนั้นทีนี้ท่านนักงานมันดูดึงไปมันถูไป ไม่เห็นมีใครจะเดินมักระถนเพราะถูกเกดมันเดินมันผิดเดึงมหากรรมฐานเจ้าของเดึงมาหาโลกมหาเวทนาสัญญาขั้นขามยันตงอื่นยางเดึงมหาของเกดของเกศของเต่าเดึงมาทาง ดึงจ kind of ิตดึงใจพของเราให้เข้าสู Man, ่เส้นทางที่นี่ก็เป็นผู้ปฏิปการทนามดีไปตัวเองเป็นผู้ที่วัตตัวมาหาช่องทางที่จะดึงอยู่เสมอมีช่องตรงไหนมันมันดึงไปทันทีบางทีมันยังไม่เหยียดเลผลอีกนะอย่างนั่นอย่างนั่นอย่างนั้นจนสุดก่อน ที่ในของเราเยะว์มันเยาวมันไม่มีสติปัญญามันโง่มันจะเป็นเจ้าหัวใจเราได้หมันเป็นเป็นอะไรเจ้าโลกเลยนะโลกภาตทั้งหมดหอยู่ในํำมือของมัน ไม่ใช่ว่ามันโอนเลยเด้แล้วใชว่ามันไม่มีความสามารถเลยยอมมือมันยอมเฉพะพระพทเจามันยอมแคมันยอมเฉพาะสาวกขรพทามันยอมเฉพาะผู้ที่เดินตามทางที่พระพุทธเจ้า วางเอาไว้ดิเขาไม่ยอมมันไม่เมันจะละความพยายามเดี๋ยวในขั้นที่เดินไปนี่มันยังพยายามติดตามอยู่เถ่อะไรมันจับไม่หัวหันหลังจับหัวที่นั่นหันมาทางนี้มัน หันมาทกงรูทั้งเสียงทังกลิ่นทั้งรสหันมาทางรูปสวยรูปงาหันมาทางนี้เผอมาอะไรมันหันทริงๆมันจับหัวมาหันั่นมดมาเลยใจมันไม่เดินมันอะไรก็อาศัยความเร็วของใจของเรานี่ย ก็ให้มันทันมันอยู่เอก็ให้มันทัมันอยู่เสมอเราว่ใจรเร็วของใจแล้วเราจะให้จิตเรเ็นช้นันก็เหมือนกัยืดดาบให้จิตเป็นฟันคอของเท่นั้นแต่ตายก็ตาย การกประปชุมการช้านีงก็ให้พาการใส่ใจแล้วก็ให้เคารพในการประชุมด้วยเคารพในการประชุมก็คือสังรวมเราให้ยิ่งวางบาตรวางตรงไหนก็ช่างอย่าให้มีเสียงวางกาหน้ารับวางเทิงหน้าวางเจกทำยนงไก็ไม่มีเสียง เลเโินทำยังไงก็ไม่มีเสียงเรา้ยับเล่กขวบน้อยทำยังไงจึงจะไม่มีเสียงนี่คุณลัลงงกษณะขอนนาางกายสํารมนั่ ง, ก, งก็ติดตัดลุกวบขวบเดินก็เต็มเต็มต็ม แมาทีหลังอาจจะเหตุ่ยงผลบางสิ่งบางอย่างจําเป็น ท, ท่านพักท่านภาวนากันแน่นี่ต้องระมัดะระวังให้ดีในระหวัางที่ทำ ว, วัดไหวพระจดกันอันนั้นไม่สาคัญเท่าขณะเวลานั่งสุภาพนากนรรมที่ว่าเราไม่มใช่คนไม่เทวดาไม่มีการระมัดระวงัง เขาจะให้เราทำความเคารนที่ประชุมทำความเคารนในการประชุมไม่มการจาเป็นใ้ทำอยากมาก็มาไม่ยามาก็ไม่มาแต่คือประชาธิปไตยตามที่เหล็ตามใจใค